ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวียนญาสังคหะอัตรกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการชนนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่กินกะวินิชยกถากะถาวินิชัยว่าด้วยเรื่องเบตเเลตต่อ แล้วมีข้าบารีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิกษุไม่พึงนอนบนเตียงสูงรูปใดนอนรูปนั้นต้องอาบัตทุกกดเพราะฉะนั้นเมื่อพิกษุนอนบนเตียงที่เกินประมาณจึงเป็นอาบัตทุกกฏแต่เมื่อพิกษุทําเองและใช้คนอื่นทำซึ่งเตียงเช่นนั้นเป็นเฉดนักกักปาจิตตีเฉดนักกักปาจิตติก็หมายถึงเป็นอาบัตจิตตีที่จะต้องให้ตัดเท้าเตียงให้ได้ประมาณแต่ก่อนจิงจะปรงอาบัตตก ถ้าไม่ตัดเท้าเตียงก่อนก็ไปตรงอับดับยังไงเพราะรงไม่ตกถ้าไปทําเองหรือว่าใช้คนอื่นทําเตียงที่สูงแต่ว่าเมื่อไปนอนเมื่อไปใช้เมื่อไปนอนบนเตียงสูงเนี่ยต้องอบดับทุกกฎเพราะนอนเพราะนั้นเรื่องเตียงนี่ถ้านอนเตียงสูงต้องอับดับทุกกฎถ้าไปทําเตียงหรือว่าใช้คนอื่นทําเตียงที่มีเท้าสูงเกินประมาณต้องอบดับไปจิตเตีที่จะต้องให้ตัดให้ได้ประมาณด้วย เมื่อพิสูจได้เตียงที่คนอื่นกระทำแล้วจะใช้สอยควรตัดเสียก่อนจึงใช้สอยถ้าไม่ประสงค์จะตัดให้ฝังลงไปในพื้นดินแสดงประมาณไว้ข้างบนก็คือให้สูงขึ้นมาเมื้องบนพื้นดินแปดนิ้วไม่เกินแปดนิ้วพันุสุกศหรือถมพื้นดินให้สูงขึ้นแล้วใช้สอยหรือจะยกขึ้นวางบนคานกระทาให้เป็นแม่แคร่ใช้สอยก็ควรถ้าอาวางไว้บนคาน ใช้คานรองไว้แล้วก็ใช้เป็นแม่แคร่ให้ยกสูงเหนือพื้นดินไปเลยกันนี้ได้ก็มีเป็นอับบัดสมัยนี้ถ้าไปฝังลงดินก็ปลวกระบประทานหมดฉะนั้นก็ตับสเลยดีกว่าจะ ไ, ได้ไม่ปิดพระวิ น, นัยเทียงรองเท้าเตียงสูงแปดนิ้วเป็นอย่างยิ่งโดยประมาณนิ้วของพวกมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่นิ้วป็กขเทียงรองเท้าเตียงเนี่ยสูงแปดนิ้วนิ้วของพวกมนุษย์ทั้งหลาย เกินกว่านั้นไม่ควรก็มีพระบาลีว่าดูการพิจิตตุทั้งหลายพิจตตุไม่พึงใช้เขียงรองเท้าเตียงสูงรูปใดใช้รูปนั้นต้องบัรทุกขก์กดดูการพิจิตตุทั้งหลายเราอนุญาตเขียงรองเท้าเตียงสูงแปดนิ้วเป็นอย่างยิ่งในที่นี้อรรถกถาบอกว่าเป็นนิ้วของพวกมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่นิ้วทุกข์แต่ว่าเท้าเตียงนี้เป็นนิ้งทุกข์ต่อไปที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ ย่อมไม่ควรเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สูดไม่พึงใช้ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่คืออาสันทิปันลังกังโคนกะจิตกะปติกาปตะลิกาตูริกาวิกติกาอุดะโลมิเอกันตะโลมิกติตะโกศยะกุตกะหัตถทาระอัตถทระ ร, ระัตตระอชินะปเวนีกดลิมิคป ะ, ะปวระปจัตตารณะสะอุตะรัชดะปุภาโตโลหิตะกูปทานะอันนี้ก็เป็นชื่อของที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องราดท่านก็จะแสดงชื่อวันกันรูปใดใช้ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อย่างนี้ก็ต้องอบัตุกกดดังนี้ มรรดาบนเหล่านั้นเตียงอันสูงเกินประมาณชื่อว่าที่นอนอันสูงอุจจารยณะเครื่องร่าที่เป็นอักบิยะชื่อว่าที่นอนอันใหญ่ไม่ใช่หมายถึงขนาดใหญ่แต่ว่าหมาถึงที่นอนอันเป็นอักบิยะเรียกว่ามหาศยนะในอาสันธิเป็นต้นมีวิลิชัยดังต่อไปนี้หมดว่าอาสันธิได้แก่ที่นั่งอันเกินประมาณปัลลงกะได้แก่ที่นั่งที่เขาทํารูปสัตว์ร้ายติดไว้ที่เท้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็น ที่นั่งสูงอุจารสายนะมันกันแม้ว่าไม่สูงเกินแต่ว่าถ้ามีเท้าทำไปรูปสัตว์ร้ายติดเอาไว้ใช่ไม่ได้คนนกาะได้แก่ผ้ากเชาผืนใหญ่มีขนยาวได้ยินว่าคนถึงผ้ากเชานั้นยาวเกินสี่นิ้วจิตกะได้แก่เครื่องลากที่ทำด้วยขนแกะซึ่งวิจิตด้วยรูปสัตว์ร้ายปฏิกาได้แก่เครื่องลากขาวทาด้วยขนแกะ ปาตาลิกาได้แก่เครื่องลากทาด้วยขนแกะมีลายดอกไม้แน่นเนื่องกันที่เรียกกันว่าผ้าคนธรรมินทรูดิกาได้แก่ฟูกที่ยัดนุ่นตามปกตินั่นเองพูกยัดนุ่นนี้ก็มานอนไม่ได้เอาไปทาเป็นมอนได้แต่ามาทําเป็นฟูกไม่ได้วิกติกาได้แก่เครื่องลากที่ทําด้วยขนแกะวิจิตด้วยรูปราชสีและเสือโคร่องเป็นต้น อุดนะโนมิได้แก่เครื่องราช ท, ทาด้วยขนแกะมีขนขึ้นข้างเดียวเอกันตะโนมิได้แก่เครื่องราชทาด้วยขนแกะมีขนขึ้นทั้งสองข้างกติตะกติสะนี้นได้แก่เครื่องปูนอนที่ทอด้วยได้แกมไหมคลิปด้วยเงินโกอ ย, ยะก็ได้แก่ผ้าปูนอนที่ทอด้วยเส้นไหมคลิปด้วยเงินแต่ผ้าไหมล้วนๆย่อมควรถ้าเอาไปคลิบด้วยเงินด้วยทองอะไรพวกนี้นี่มีควรเทนั้น กุตกะได้แก่เครื่องปูนอนทํำด้วยขนแกะใหญ่จุนางฟ้อนได้ถึง16คนยืนรําได้หาผัสทระและอัศธระได้แก่เครื่องลาดบนหลังช้างและลาดบนหลังม้านั่นเองในรผัสทระก็มีในนี้เหมือนกันเครื่องราชบนรถอาชินะประเวณนนีได้แก่เครื่องที่ทําเป็นชั้นซึ่งเย็ดซ้อนกันด้วยหนังเสือโดยขนาดเท่าตัวเตียง กัทาลิมิคะปาว ร, าประปจัทรณะได้แต่เครื่องปูนอนอย่างดีที่สุดที่ทำด้วยหนังชมดอธิบายว่าเครื่องปูลาดที่ประีตยิ่งได้ยินว่าจนทั้งหลายภาพหนังชมดบนผ้าขาวแล้วเย็บติดกันทำเป็นเครื่องลาดนั้นสัจุตรัชะดะได้แก่ที่นอนที่มีเพดานข้างบนท้อมอธิบายว่าที่นอนที่พร้อมด้วยเพดานแดงซึ่งติดไว้ข้างบน ถึงมีเพดานขาวเมื่อมีเครื่องล่าที่เป็นอากาปิยะอยู่ข้างล่างย่อมไม่ควรแต่เมื่อไม่มีอยู่ควรอยู่อุะโตโลหิตะกุปปะฐานะได้แก่ที่นอนมีหมอนแดงสองข้างแห่งเตียงก็คือหมอนหนุนศรีรษะอันหนึ่งหมอนหนุนเท้าอันหนึ่งที่นอนชนิดนี้ไม่ควรหมอนใดใบเดียวเท่านั้นที่มีสองข้างจะแดงก็าตาม มีสีตั้งดอก บ, บวัวหลวงก็ตามวิจิตก็ตามถ้าประกอบด้วยประมาณหมอนนั้นย่อมควรส่วนหมอนใหญ่ทรงห้ามไว้แล้วหมอนใหญ่กึ่งกายนี้ก็ไม่อนุญาตที่สุดจะใช้เครื่องราชมีโคนและกับเป็นต้นปูบนเตียงและต่างแล้วใช้สอยในวิหารของสงหรือในวิหารของบุคคลก็ตามย่อมไม่ควรเครื่องราชเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควร แต่บนธรรมธาตุย่อมได้เพื่อใช้สอยโดยทํานองขี่หิวิกัดแม้บนธรรมธาตุนั้นย่อมไม่ควรนอนจะนั่งได้แต่ว่าไม่ควรนอนขอที่เป็นขี่หิวิกัดนี่ที่เป็นเตียงต่างพวกนี้ใช้แบบของกระถางยืมใช้ได้แต่ว่าไม่ให้นอนนั่งอาสนะที่เป็นขี้วิกัดได้แต่ว่านอนทับไม่ได้แต่พวกเตียงต่างที่มีเท้าสูงเกินแปดนิ้วเนี่ย เท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายแล้วก็เครื่องรากยัดด้วยนุ่นจะนั่งทับนอนทับไม่ได้เท่านั้นก็มีพระบาลีว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งทับขี้วิกัดเว้นของสามชนิดคืออาสันทิเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณอย่างหนึ่งปรนลังกังจตีงต่างที่มีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายอย่างหนึ่งแล้วก็ตูริกาเครื่องรากที่ยัดด้วยนุ่นอย่างหนึ่งไม่ให้นั่งทับนอนทับเลยนอนทับไม่ได้ ได้อนุญาตให้นั่งทัพขี่วิกัดแต่วันเว้นพวกอาสันทิปลังตังและประตูนิกาทำนองทับไม่ได้ฉะนั้นพิจูจะนั่งบนเครื่องลาที่เป็นอานกัศยนตะที่เป็นขี่วิ ก, กัดมีโคหน้ากะเป็นต้นที่เหลือเว้นของสามอย่างมีอาสันทิเป็นต้นบนธรร ม, มาภิในโรงพัดหรือว่าในละแวกบ้านย่อมควรอันในธรร ม, มาภินี่ก็นั่งได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกนุ่นพวกนี้ไม่ได้ พวกพลังกังมมีอาไปรูปสัตร้อยแล้วก็อาสันทิสูงเกินะมานนี้ก็แม้เป็นธรรมะมนี้ก็ใช้ไม่ได้จะนั่งพวกขี้วิกัตที่เป็นอาขับยะเหล่านั้นแต่ว่าใช้เป็นของกระถัดจะในโรงพักหรือว่าในละแวกบ้านย่อมได้เว้นของสามอย่างนั้นแต่ว่าจะนอนไม่ควรส่วนที่สุดจะนั่งบนเตียงต่างที่หุ้มนุ่นในโรงพักในละแวกบ้านเท่านั้นในบาลีกล่าวว่าย่อมไม่ควร แต่าในอริยฐานท่านบอกว่าได้ย่อมควรแม้นอนบนเตียงต่างที่หุ้มนุ่นแม้นั้นก็ควรแต่ที่จะใช้ให้ทำเตียงต่างที่หุ้มนุ่นเป็นอุดาล ะ, ะกะปาจิตตีหรือทิ้งก่อนยูเสงอามตดปายจิตตีได้อันนี้หมายถึงว่าให้บริโภคเป็นขี่วิกัดไม่ให้นอนส่วมิสโตจะนั่งบนเตียงต่างที่หุ้มนุ่นในโรงพัก ในระแวกบ้านเท่านั้นนี่จะให้เขาลือ้อหรือว่าถ้าไม่นั่งเลยก็อึศักระอยู่บอกว่ายกเว้นบริโภคเป็นที่วิกัดถ้าจะใช้เป็นที่วิกัดก็ควรอันนี้ก็ใครรังเกยียจก็ไม่ควรนั่งเตียงต่างที่หุ้มนุ่นในโรงพัดหรือว่าในระแรกบ้านแต่ว่าถ้าเป็นที่วิกัดนี่มันน่าจะนั่งได้แต่ว่านอนไม่ได้แต่ในนี้บอกว่าแม้นอนบนเตียงต่างที่หุ้มนุ่นแม้นั้นก็ควร นี่คิดว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่โดยเฉพาะในโรงพยาบาลในแวดบ้านนอกจาป่วยที่สุดจะให้ทําเตียงต่างที่หุ้มนุ่นก็เป็นอบัติปยิทีที่เรียกว่าอุดาลนักะคือต้องรู้อทิ้งแต่ก่อนจึงจะแสดงอบัติต้แต่เตียงต่างที่หุ้มด้วยหนังเป็นต้นย่อมควรใช้เตียงต่างหุ้มหนังไม่ดป็นไรเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตเตียงหุ้มด้วยหนังต่างหุ้มด้วยหนังดังนี้ ก็มีพระบารีว่าดูกรที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตผ้าปาวานผ้าปาวานแกมหมายผ้าโกชาผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์นั่นเอ ง, เองฉะนั้นผ้าปาวานเป็นต้นที่เป็นของโศหรือว่าของบุคคลก็ตามที่ตุย่อมควรที่จะใช้ต่อยตามสบายในที่ใดที่หนึ่งจะเป็นวิหารหรือว่าในละแวกบ้านก็ตามแต่ในที่นี้ผ้าโกชาเป็นผ้าโกชาตามปกติเท่านั้นจึงควร ถ้าโกชาผืนใหญ่คือที่ใช้ปูร่าจำแบบหลังช้างหลับมา้าอะไรพวกนั้นก็ไม่ควรพระมีพระบารีว่าดูการพิสูจทั้งหลายเราอนาุญาตการใช้สายตราสรทุกอย่างฉะนั้นบานหน้าต่างเตียงต่างพัดใบตามิจิต ด, ด้วยทองและเงินเป็นต้นก็ดีหม้อน้ําขันน้ําทํำด้วยทองและเงินก็ดีหรือว่าเครื่องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจําหลักลวดลายงดงามก็ดีควรทุกอย่าง ในการใช้สอยอย่างเสนาสนะ บ, บริโภคคือถ้าเป็นการใช้สอยเสนาสนะหรือว่าเครื่องใช้สอยต่งตางๆในเสนาสนะจะมีของที่เป็นกับดิญะอกับดิญะเป็นอนามาวัตถุอะไรต่างๆก็จับต้องใช้สอยได้หมดเลยเพราะเป็นของเสนาสนะเมื่อจะเป็นพัดใบตาลเตียงต่างบ้านน่าต่างทำได้ทองและเงินหรือว่าขันน้ําหม้อน้ําต่างๆที่ทำได้ทองแลกเงินนนจะมีี่ ถ้าเป็นของประจําเทนาสนะนี้ก็ใช้ใส่ได้แต่ว่ายาวไปเป็นของตนตัวมาแล้วแบบราชิกเลยชนทั้งหลายตรา ว, ว่าข้าพเจ้าถวายธาและทาสีนาและสวนโคและระเบือแก่ประสาทไม่มีกิจจะรับรแผนหนึน่งเมื่อรับราสาทก็เป็นอันรับด้วยแท้แต่ว่าบางทีถ้าถวายให้รับตังหานี่ไม่ควรรับแต่ว่าต้องมีกัปปิยะโวหารจึงจะใช้ได้ ก็มีพระบารีว่าดูการพิกูจทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียวดูกับพิกูจทั้งหลายรองเท้าสองชั้นพิสูจนไม่พวรใช้รองเท้าสามชั้นที่ถูกไม่พวรใช้รองเท้าหลายชั้นพิกูุน์ก็ไม่ควรใช้เหมือนกันให้ใช้ได้รองเท้าชั้นเดียวรูปใดใช้รูปนั้นต้องอบัตทุกกฏก็คือห้ามใช้รองเท้าสองชั้นสามชั้นหรือว่าหลายชั้นฉะนั้นรองเท้าชั้นเดียวฉะนั้นจึงควร รองเท้าสองชั้นสามชั้นไม่ควรรองเท้ามีชั้นตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ารองเท้าหลายชั้นแต่รองเท้าหลายชั้นนั้นไม่ควรในมัชชิมะประเทศเท่านั้นเพราะพระบาลีว่าดูการทีต่ตุกทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นในปัจจันต์ตชนบททั้งปวงดังนี้ก็คือนอกจากประเทศอินเดียนอกจากมัชชิมะชนบทนั้นก็สามารถใช้รองเท้าหลายชั้นได้ ในปัจจันตะชนบทรองเท้าหลายชั้นจะใหม่หรือว่าใช้ใส่แล้วก็ตามก็ควรส่วนในมัชชิมะประเทศรองเท้าหลายชั้นที่ถอดออกใช้ใส่แล้วจึงควรก็ไม่เห็นรูปนะว่ารองเท้าหลายชั้นในสมัยก่อนเป็นอย่างไรปอติของเรานี่ก็ใช้รองเท้าชั้นเดียวกันทั้งนั้นแหละรองเท้ายางรองเท้าหนังชั้นเดียวกันทั้งนั้น ที่ยังไม่ใช้ต่อยแต่ตัวของใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามรองเท้าหลายชั้นในมัชฌิมชนบทเพราะมีพระบารีว่าดูกอรพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้วรองเท้าหลายชั้นใหม่พิสูจน์ไม่พึงใช้รูปใดใช้รูปนั้นต้องอบัษฐทุ ก, กฎ ด, ดังนี้รองเท้าชั้นเดียวจะใช้แล้วหรือว่ายังไม่ได้ใช้ก็าตามควรในที่ทั้งปรงให้ใช้ชั้นเดียวที่มัชฌิมชนบท สำหรับในหนังที่ทํารองเท้านั้นเว้นหนังมนุษย์เสียรองเท้าที่ทําด้วยหนังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรจะเป็นหนังสัตว์ ร, ร้ายหรือว่าหนังสัตว์ที่เป็นกัปปิยะอกัปปิยะก็้ะแต่แม้ในถุงรองเท้าฝักมีดและฝักกุญแจก็ในนี้เหมือนกันก็คือใช้หนังอะไรทําก็ได้ยกเว้นหนังมนุษย์เสียรองเท้ามีสีคราบรวนเป็นต้นย่อมไม่ควรสีออกฟ้าฟา กามีข้าบารีว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายที่สุไม่พึงใช้รองเท้าสีครามล้วนใช้รองเท้าสีเหลืองล้วนก็ไม่ควรใช้รองเท้าสีแดงล้วนก็ไม่ได้ใช้รองเท้าสีบานเย็นล้วนก็ไม่ได้ใช้รองเท้าสีดําล้วนก็ไม่ได้ใช้รองเท้าสีแสดล้วนรองเท้าสีชมพูล้วนไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะรูปใดใช้ต้อบัตทุกกดเพราะนั้นรองเท้าที่มีสีเดียวล้วนๆเลย จะเป็นสีเขียวครามสีเหลืองล้วนแดงล้วนสีบานเย็นหรือว่าสีดำล้วนล้วนก็ไม่ได้สีแสดก็ไม่ได้สีชมพูก็ไม่ได้แต่สีน้ำตาลนี่ก็ไม่มีห้ามไว้เอราก็ใช้สีน้ำตาลก็ได้เอามาทำลายให้เสียสีใหม่ก็ใช้ได้นะ้ดังนี้สําหรับในเรื่องสีของรองเท้านั้นมีวิธิใัยดังต่อไปนี้รองเท้าสีเขียวครามมีสีคล้ายดังสีดอกผักตบ รองเท้าสีเหลืองก็มีสีคล้ายสีดอกกัิการองเท้าสีแดงก็มีสีคล้ายดอกชบารองเท้าสีบานเย็นก็มีสีคล้ายฝางรองเท้าสีดำมีสีคล้ายรูกประคำดีควายรองเท้าสีแสดก็มีสีคล้ายหลังตะขาสีแดงออกจากแสกหน่อยรองเท้าสีชมพูก็มีสีเจือกันคล้ายใบ ไ, ไม้เหลืองบ ไ, ไม้เหลืองจะเป็นชมพูดได้ไหม สียมพูก็ออกสีแจ๊ดๆหน่อยแต่ในกุรุนทีแก้ว่ามีสีคล้ายดอกบหลวงสำหรับรองเท้าสียมพูเนี่ยก็จะได้สีโบลวงที่ออกแดงๆนี้ผู่บรรดารองเท้าเหล่านี้ที่สุดได้รองเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วเอาผ้าเช็ดน้ำยาทำลายสีเสียแล้วใช้ถอยย่อมควรทำลายสีสักหน่อยหนึ่งก็จะได้แม้ทำลายสีเสียเพียงเล็กน้อยก็ควรเหมือนกัน แม้สายรองเท้ามีสีเขียวคลามเป็นต้นต่องไม่ควรแต่ทำให้เสียสีแล้วใช้ก็ควรเพราะมีพระบารีว่าดูกว่าที่สุดทั้งหลายเที่ยตู่ไม่พึงใช้รองเท้ามีสายสีเขียวคลามมีสีเหลืองมีสายสีแดงมีสายสีบานเย็นมีสายสีดำมีสายสีแสดมีสายสีชมพูกี่สีเนี่ยเขียวครามหนึ่งสีเหลืองสองสีแดงสามสีบานเย็นสี่สีดำห้าสีแสดหกสีชมพูเจ็ด รูปใดใช้รูปนั้นต้องอับบัตถุ ก, กฎดังนี้ว่าเจ็ดสีเนี่ยนะแต่ละสีอื่นๆที่มันแช่ๆอะไรพวกนี้กาลังเกียจก็ทําลายสีสักหน่อยนึงก็จะได้ลนะมรองเท้าหุ้มแข้งเป็นต้นก็ไม่ควรเพราะมีพระบารีว่าดูกรที่สุดทั้งหลายรองเท้าหุ้มต้นที่สุดไม่พึงใช้รองเท้าหุ้มแข้งรองเท้าปกหลังเท้ารองเท้ายัดนุ่น รองเท้ามีหูคล้ายขนปีกนกกระทารองเท้าที่ทําหูงอนมีสถานดุดเขาแก่รองเท้าที่ทําหูงอนมีสถานดุดเผาแพะรองเท้าที่ทําประกอบหูงอนดุดถังแมลงปองรองเท้าที่เย็ดด้วยปีกนกโยงรองเท้าที่วิจิตรูปใดใช้รูปนั้นต้องอบดัดทุกกฏเพราะฉะนั้นรองเท้าที่วิจิตวีรสมาคมหลาต่างๆนี้ก็ห้ามใช้นะมีอับดับส่วนรองเท้าที่ปกหลังเท้าเนี่ย หลายท่านก็ลังเกียจปกหลังเท้าแบบไข่เรงเท้าแตะนี่แหละแต่ว่ามีสายไข้อาจจะเป็นหนังหรือเป็นยางก็แล้วแต่ซึ่งอสายที่มันไข่หลังเท้าเนี่ยมันหนาเป็นแผ่นหนานบางท่านก็สังเกียจคิดว่ามันเป็นรองเท้าประเภทปกหลังเท้าถ้ารังเกียก็ไม่ควรใช้แต่บางท่านก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้ปกทั้งหมดก็เปิดเล็บเอาไว้เป็นการกระบาดปกหลังเท้าช่วงการกระบาดเทนั้น อันนั้นก็บางท่าก็ใช้อันนี้ถ้าไม่รังเกียดอบรมใจจิคาแล้วไม่มีผ่านตันใจก็ใช้ไปได้ส่วนที่นิยมใช้กันก็คือใช้หูหนีก็จะมีสายหน่อยเดียวสายเท่ากับนิ้วมือความหนาเท่ากับนิ้วมือนิ้วชียอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสายแล้วก็ใช้หนีดระหว่างคนโป้งกับนิ้วชี้ส่วนใหญ่ก็ใช้นิยมใช้อย่างนั้นกัน อันนี้ก็ดูว่าไม่เกิดความรังเกยียจแล้วก็ไม่ผิดตามทยันชนะทำคำวินัยเดิอยากนี่ก็ไม่มีโทษอะไรในชนิดของรองเท้านั้นมีวิธิฉช้ดังต่อไปนี้บทว่าขันละกะปัฒนาได้แก่รองเท้าที่ทำติดแผ่นหนังที่พื้นขึ้นมาเพื่อปิดต้นรองเท้าหุ้ม้นรองเท้าแฟชชัวในพวกีใช้ไม่ได้รองเท้าชาวโยนกเรียกว่ารองเท้าหุ้มแข้ง ได้แก่รองเท้าที่ปิดเท้าทั้งหมดจนถึงแข่งตัวนี้ก็พวกรองเท้าบู๊ตรองเท้าบู๊ตนี่ขึ้นเไปเกือบถึงเข่าเลยวัดว่าปาลิคุนทิมาได้แก่รองเท้าที่หุ้มหลังเท้าปิดเพียงหลังเท้าเท่านั้นไม่ปิดแข้งนี่ก็น่าจะปิดหลังเท้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นสายรองเท้าที่ขว้แต่ว่าไม่ปิดหลังเท้าทั้งหมดก็ไม่น่าจะเข้าตรงนี้ แต่อย่างที่บอกน้ว่าใครรงเกตก็ไม่ควรใช้รองเท้าที่หุ้มมาจาท่านถึงแท่งนี้พวกที่เป็นรองเท้าที่เขาช่างก่อสร้างเขาใช้เทปูนรองเท้า น, นั้นก็ปิดกันมาเกิดเป็นแท่งเหมือนกันพระนิจุที่ทํา่อสร้างบางครั้งก็เห็นใช้เหมือนกันนี่ก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่หมดว่าตูละปุ น, นิกาได้แก่รองเท้าที่ทํายักด้วยปุ๋ยนุ่น เมืนว่าติดติระปติกาได้แก่รองเท้าที่มีหูงดงามเช่นกับปีกนกกระทาเหมืม น, วนว่าเมนทากิจานะวัติกาได้แก่รองเท้าที่ทําประกอบหูมีสันฐานคล้ายช่อฟ้ามีสันฐานคล้ายเขาแกะไม่ได้รองเท้าที่มีหูหนังเขาแพะเป็นต้นปน่ในนี้แหลก็ไม่ควรใช้เหมืนว่าวัติกาดิกาได้แก่รองเท้าที่ทําประกอบหูมีสันฐานดังหางมะแรงปอง ที่ปลายเชิงงอนนั่นแหละเหมือนว่าโมระปินชะปริสิทบิตาได้แต่รองเท้าที่เย็บที่พื้นก็ดีที่หูก็ดีด้วยขนปีกนกยุงแทนได้เหมือนว่าจิตตาได้แต่รองเท้ า, ท, าที่งดงามวิจิตในรองเท้าเหล่านี้พิสูจได้รองเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งถ้าสามารถนําที่หุ้มแข้งเป็นต้นเหล่านั้นออกได้จึงควรใช้ ถ้าที่หุมแข้งเป็นต้นเหล่านั้นยังมีอยู่เพื่อใช้ก็เป็นอบัตทุกกดถ้าไม่ควรใช้รองเท้าใช้พอให้เหมาะสมแล้วก็จะไปเข้าประเทศแลวว้วแอบาไม่ได้ด้วยนั่นก็ใช้ในป่าใช้ในวัดแต่ก็ต้องให้ดูว่าเหมาะสมแก่ บ, บรรพชิตที่เหมือนกับกระหักรองเท้าแม้ที่เก็บด้วยหนังราชสีเป็นต้นก็ไม่ควรใช้เพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายทีกสุดไม่ปึงใช้รองเท้าเก็บด้วยหนังราชสีเก็บด้วยหนัง เสือโครงด้วยหนังเสือเหลืองด้วยหนังเสือดาวด้วยหนังชมด้วยหนังนาคด้วยหนังแมวด้วยหนังข้างด้วยหนังนกเขารูปใดใช้รูปนั้นต้องอาบัดทุกกฎจะเอาหนังองสัตว์เหล่านี้มาคลิปที่รองเท้าแม้ไม่ได้ทําทั้งหมดก็ใช้ไม่ได้หนังก็จะจับสีหนึ่งเสือโกรงสองเสือเหลืองสามเสือดาวสี่หนังชมดห้าหนังนาคหกหนังแมวเจ็ดหนังข้างแปดหนังนกเขาก้า ไม่กวรเอามาคลิปไม่มีหนังสุนัขถ้าหนังสุนัขมาคลิปนี้ก็คงไม่มีอบับตายแต่ว่าคงยังน่าตังเขียนเหมือนกันต้องใส่ด้วยทำไม่ควรกันใช้ที่เขามีอยู่ธรรมดารองเท้าอย่างนี้ก็หาไม่ยากเป็นพวกยางหรือว่าหนังเทียมเดี๋ยวนี้ก็ใช้หนังเทียมกันมากนลในบรรดาบทเหล่านั้นชื่อว่ารองเท้าที่คลิปด้วยหนังราชสีคือรองเท้าที่ประกอบหนังราชสีที่ริมโดยรอบเหมือนติดอนุวา瓦ในจีวร และรองเท้าที่เหลือทั้งหมดก็ในนี้แลบวว่ารองเท้าที่ขิดด้วยหนังนกเขาก็ได้แก่รองเท้าที่ขิดด้วยหนังนกเขาแมวถึงในรองเท้าเหล่านี้ชนิดใดชนิดหนึ่งปึงเอาหนังนั้นออกเสียก่อนจึงควรใช้อีกข้อหนึ่งเขียงเท้าที่เคลือ่อนที่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําด้วยหญ้าหรือวัตถุอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูจไม่ควรใช้เขียงเท้านี่ไม่ควรใช้พระมีพระบาลีว่าดูก่อชชนพิสูจทั้งหลาย พีย่ตู่ไม่พึงใช้เขียงเท้าไม้เขียงเท้าใบตานเขียงเท้าใบไผ่เขียงเท้าหญ้าเขียงเท้าทําด้วยหญ้ามุกระต่ายเขียงเท้าทําด้วยหญ้าปล้องเขียงเท้าทําด้วยใบเป้งทาด้วยหญ้าแฝกทําด้วยขนสัตว์ทําด้วยทองคําประดับด้วยเงินประดับด้วยแก้วมณีประดับด้วยแก้วไพลทูลเขียงเท้าประดับด้วยแก้วผลึกประดับด้วยทองสําำริดประดับด้วยกระจก เขียงเท้าประดับด้วยดีบุกประดับเพชรกลัวเขียงเท้าประดับด้วยทองแดงเที่ยงสุไม่ปึงสวมเขียงเท้าที่เคลื่อนที่ได้บางอย่างรูปใดสวมรูปนั้นต้องอบับทุกกดตรงลงเขียงเท้านี่ที่เคลื่อนที่นี่ใช้ไม่ได้เลยนะให้ใช้รองเท้าเท่านั้นรองเท้าก็ทําด้วยหนังเดีย๋ยวนี้ก็ทํำด้วยยางกับหนังเทียมอาจจะมีหนังแท้บ้างเหมือนกันแต่ว่าเขียงเท้าของเรายกเคี้ยวไม้อะ ว่าจัดคล้ายๆกับโปรงรองเท้าเหมือนกันดังนั้นก็ไม่เห็นความแตกต่างกันของเขียงเท้าเป็นอย่างไร อ, อาจจะนอกเหนือจากหนังก็เรียกว่าเป็นเขียงเท้าเพราะว่ามีทําด้วยหญ้าด้วยแหละใบไผ่ใบไม้ใบตาลเขก็เรียกว่าเขียงเท้าเหมือนกันเหมือ น, นถ้าใช้เขียงเท้าเคลื่อนที่ก็ต้องอบบัดทุกกดแต่เขียงเท้าสามชนิดมีเขียงเท้าสําหรับเหยียบถ่ายอุจจาระเป็นต้น ที่ตั้งไว้เป็นอันดีบนพื้นไม่คลอนไม่เคลื่อนที่ที่สุดจะใช้ก็ควรก็มีพระมารีว่าดูการทิกษุดทั้งหลายเราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงอยู่กับที่ไม่ใช่สําหรับใช้สวมสามชนิดก็คือเขียงเท้าสําหรับเหยียบทายอุจระหนึ่งเขียงเท้าที่สําหรับเหยียบทายปัสวะหนึ่งเขียงเท้าสําหรับเหยียบในที่ช 1, ําระหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แยกกันเรื่นี้ก็อ่านเดียวกันหมดเลยอรั เพราะว่าไอที่ถ่านต้วมเนี่ยใช้เหยียบกับใช้ไทยปัสสาวะอุจาระใช้ล้างในที่นั้นเลยแต่สมัยก่อนนี่เขาถ่ายอุจาระก็ที่หนึ่งถายปัสสาวะก็ที่หนึ่งแล้วก็ชำระก็ที่หนึ่งคนละที่กันก็ได้มีเขียงสําหรับเหยียบสามชนิดต่อไปก็พิกูดไม่พึงสวมรองเท้าเข้าไปในบ้านในตัวแวกบ้านเพราะมีพระบารีว่าดูกวามพริกษุทั้งหลายพิกูดไม่พึงสวมรองเท้าเข้าไปในบ้านรูปใดสวมเข้าไป รูปนั้นต้องบัตรทุกกฎบ้านในที่นี้หมายถึงหมู่บ้านหมายถึงหมู่บ้านถ้าเรือนเนี่ยก็ใช้คําว่าคระบ้านที่เราเรียกกันว่าเข้าไปในบ้านของโยมคนนั้นคนนี้อันนี้เขาเรียกว่าเรือนคระแต่ว่าคามะนี่หมายถึงหมู่บ้านมันก็ห้ามสวรองเท้าเข้าไปในหมู่บ้านต้องบัตรทุกกฎดังนี้แต่ปิกตุใดมีเท้าแต่มีหน่อที่เท้าหรืออาพาธเท้าเจ็บซึ่งไม่มีรองเท้าไม่สามารถ ที่จะเข้าไปถู่บ้านได้พิสูจผู้อาพาธเห็นปานนั้นสวมรองเท้าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นก็ควรก็มีพระ บ, บารีว่าดูความพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสษุอาพาธสวมรองเท้าเข้าบ้านได้พิสูจแม้ที่ไม่อาพาธจะใช้รองเท้าในภายในวัดก็ควรก็มีพระ บ, บารีว่าดูความพิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สวมรองเทา้าและใช้กบเพิงประทีบไม้เทา้าภายในอารามได้อย่างนี้ รองเท้านี้ก็สามารถสวมเข้าไปที่อยู่ในวัดอยู่ในป่านี่ก็ใช้ได้แต่ว่าในหมู่บ้านนห้ามโยเว้นปว่วยอยเว้นท้งเจ็บเมื่ออาจารย์เป็นต้นไม่สวมรองเท้าจงกรมอยู่พิสูจน์ไม่พึงสวมรองเท้าจงกรมก็มีพระบาลีว่าทุกังพิกษุทั้งหลายเมื่ออาจารย์พิสูจปูนอาจารย์ก็ดีอุปัชาหรือพิกษุผู้ปูนอุปชาก็ดีเมื่อเดินไปมิได้สวมรองเท้าจงกรม ที่สวมไม่พึงสวมรองเท้ารูปใดสวมรองเท้าทรงกลมรูปนั้นต้องอับดัดทุกกฎดังนี้ในเรื่องนี้มีวิธีฉชยดังต่อไปนี้เฉพาะอาจารย์สี่จำพวกนี้เท่านั้นก็คือปรปภาอาจารย์อาจารย์ที่ให้บรรณาชาให้บทเมนอุปสัมปดาจารย์อาจารย์ที่ให้อุปสมบทนิสยาอาจารย์อาจารย์ที่ให้ถือนิสัยและก็อุเดสาอาจารย์อาจารย์ที่ให้เรียนพระบาลีจัดเป็นอาจารย์ ในบทว่าอาจาริเยสุนี้พิกสุมีปรรษาหกพอเป็นอาจารย์ของพิกสุผู้ไม่มีปรรษาได้ก็ต้องห่างกันหกพรรษาขึ้นไปหกปรรษาีะท่านถึงเก้าพรรษาแลเรียกว่าอาจาริยมัตโด้วยว่าพิกสุผู้ไม่มีปรรษานั้นจักอาศัยเธออยู่ในการที่ตนมีปรรษาสี่พอตนเองมีปรรษาสี่พระสุรูปนั้นก็มีปรรษาสิบพระชามาที่จะมาเป็นอาจารย์ให้นิสัยได้ ใ้ยประการอย่างนี้แม้พิจุเหล่านี้จัดว่าผู้พอเป็นอาจารย์ได้แท้คืออาจรรยมัตคือพิตูผู้มีภรษาเจดพอเป็นอาจารย์ของพิจูผู้มีภาษาเดียวได้พิจูผู้มีเวียนาษาแปพอเป็นอาจารย์ของพิจุผู้มีภรษา2อได้พิจุผู้มีภรษาเก้าพอเป็นอาจารย์ของพิจูผู้มีภรษาสาได้ผู้มีรรษาสิพอเป็นอาจารย์ของพิจูผู้มีภาษาสี่ได้ ฝ่ายพิสุผู้เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนครบของอุปัชาก็ดีพิสุเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าติดปัญสาวก็ดีพิสุเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าพิสุปูนอุปัชาปูนอุปช า, ปปชาก็คือมีปรรษาได้เรียกันกับอุปชาเมื่อพิสุทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ไม่สวมรองเท้าจงกลมอยู่ย่อมเป็นอาบัติแก่พิสุผู้สวมรองเท้าจงกลมเพราะฉะนั้นก็จะมี สองอย่างก็คืออุปชาอาจารย์ไม่ส่รอ ง, ทงเท้าจงกลมก็ห้ามพิสุที่เป็นลูกศิษย์สติหาริตไปส่รงรองเท้าเดินจง ก, กรมนี้ต้องบัตุกฎหรือว่าพิสุผู้ที่เป็นปูนอาจารย์ปูนอาาุปชาก็คือมีสารไดเรียงกันกับอุปชาอาจารย์กับพิสุผู้ที่จะพอเป็นอุปชาอาจารย์ได้หมายถึงว่าพอจะเป็นอาจารย์พอจะเป็นอาาุปชาได้อันนี้หมายถึง ต่างกันหกภาษาต่างกันหกภศาเนี่ก็เป็นผู้ที่พอจะเป็นอาจารย์ได้แต่ยังไม่ได้เป็นอันนี้แม้ท่านไม่ได้สวมรองเท้าจงกรมเราไปสวมรองเท้าจงกรมนี่ไม่ได้แสดงว่าเป็นอาบัติจริงแต่ว่าไม่มเไม่ะสมก็คือพระที่มีบรรษามากกว่าตนเองไม่ได้สวมรองเท้าเราก็ไม่ควรจะสวมรองเท้าหรอกไม่ว่าจะเป็นที่จงกรมหรือว่าไม่เป็นที่จงกรมก็ตามด้วยความเคารพในรรษาพุทธเจ้าก็ให้เคารพกันตามบรรษา วันนี้ก็สมควรแก่ เ, เวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุการในท่านทั้งหลายผู้ที่เอื้อเฟื้อต่อบพระธรรมวินัยน้อมใจไปในการศึกษาไตรสิกขาก็ขอให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สามารถที่จะกระทำที่สุดเหงวัวาทุกข์ออกจากวัฏทุกรอันเป็นวัฏจักรที่หมุนไปในการเกิดแก่เจ็บตายก็นำมาพึ่งทุกข์ได้ออกจากทุกข์ได้ก่อนผลนั้นก็ผลจากทุกข์ได้เร็วก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ